แรงจูงใจแห่งฉันทะอันไปพูดถึงฉันทะบ้างได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าฉันทะในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมฉันทะที่เรียกสั้นๆว่ากุศลฉันทหรือธรรมฉันทะซึ่งโดยทั่วไปจะระบุชื่อกตุกกรรมมัจจาพวงไว้ด้วยกุศลธรรมฉันทะ แปลว่าชันทะในกุศลธรรมคือความพอใจความชอบความอยากในสิ่งที่ดีงามกุศลฉันทะแปลว่าชันทะในกุศลถึงแม้จะตัดคำว่าธรรมะออกก็มีความหมายเท่าเดิมคือตรงกับกุศลธรรมะชันทะนั่นเองกุศลแปลว่าดีงามฉลาดเกื้อกูล คล่องสบายไร้โรคเอื้อต่อสุขภาพได้แก่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจสิ่งที่มีผลดีเกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและคนอื่นในคำว่ากุศลธรรมมันทะนั้นพึงเทียบกับกุศลธรรมอสันตุถีบาลีว่า อสันตุทิตากุศเลสุธรรมเมสุคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นคุณธรรมสำหรับเกื้อหนุนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรมีคู่กับความเพียรพยายามไม่ท้อถอยความหมายหลักของกุศลมีสามคืออโรคยะความไม่มีโรคมีสุขภาพ อนาวัชชะไร้โทษและโกสละสัมภูตะเกิดจากความฉลาดหรือเกิดจากปัญญานอกจากนี้แปลว่าสุขวิบากคือมีผลเป็นสุขเขมะคือกเกษมเป็นต้นก็ได้ส่วนธรรมฉันทะแปลว่าฉันทะในธรรมหรือธรรมะ คือความต้องการธรรมะคาว่าธรรมหรือธรรมะที่มาในคาว่ากุศลธรรมมีความหมายกลางๆคือแปลว่าสิ่งหรือหลักแต่เมื่อแยกออกมาใช้ลำพังเดียวๆก็อาจแปลความหมายได้กว้างขึนความหมายหลักของธรรมหรือธรรมะในกรณีนี้มีสองอย่างคือความจริงสภาวะธรรม หรือคำสอนที่แสดงสภาวะธรรมนั้นตรงกับที่บัดนี้ใช้คำว่าสัจธรรมความหมายหลักของธรรมะในกรณีนี้อีกอย่างคือความดีงามสิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามคือคุณธรรมปัจจุบันดูเหมือนนิยมเรียกส่วนหนึ่งของความหมายในยานี้ว่าจริยธรรม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 เนื้อหาสาระที่เป็นแก่นแท้ภาวะที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายตลอดจนความดีงามที่เป็นคุณค่าอันแท้จริงของสิ่งนั้นๆแล้วในแง่ที่ต้องการความดีงามก็โยงต่อไปถึงการกระทหคือต้องการทำให้สิ่งหรือภาวะที่ดีงามเกิดมีขึ้นโดยในยะนี้ธรรมันทะก็แปลได้ว่า ความใยความจริงหรือความรักความจริงคือใยรู้ความใยในสิ่งดีงามหรือรักความดีงามคือใยดีรักดีพูดให้ง่ายว่าความอยากรู้อยากทำหรือใยรู้ใยทาทาในที่นี้สะกดด้วยทหารคือการกระทานะครับอาจใช้คำสั้นๆคำเดียวว่า ความใยธรรมธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับอาจใช้คำสั้นๆคำเดียวว่าความใยธรรมเราให้เข้าใจร่วมกันไว้ว่าคลุมถึงความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อ น, นัดหมายรู้กันอย่างนี้แล้วจะแปลฉันทะเดียวๆล้วนๆ ว, ว่าความใยธรรมก็ได้เป็นอันว่า สิ่งที่ชันทะต้องการก็คือธรรมะหรือกุศลในที่นี้ท่านวงเล็บหลังคำว่ากุศลด้วยคำว่าธรรมะซึ่งน่าจะหมายถึงกุศลธรรมนะครับเป็นอันว่าสิ่งที่ชันท h ต้องการก็คือธรรมะหรือกุศลพูดอย่างไทยแท้ว่าสิ่งที่ชันท h a ต้องการคือความจริงและสิ่งที่ดีงาม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 เพื่อสร้างภาวะที่ดีงามหรือทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นตรงนี้เท่ากับอธิบายแล้วว่าทำไมพอพูดถึงฉันท่าที่ดีคือกุศลธรรมฉันท่านี้ตามปกติตึงระบุกตตุกรรมมยตาคือความใกรที่จะทำหรือความอยากทำพ่วงไว้ด้วยความต้องการความรู้และภาวะที่ดี เรียกร้องการกระทาจะเข้าถึงความรู้เข้าถึงความจริงลุถึงภาวะดีงามสมบูรณ์ก็ต้องทำพูดเชิงล้อว่าอยากทำคืออยากธรรมะก็อยากทำคือกระทาหรือใคร่ทำคือใคร่ธรรมะก็ใคร่ทำคือใคร่กระทาดังนั้นกัตุกรรมยตา คือความใครท้ทรรหรืออยากทรรคืออยากกระทำจึงเป็นลักษณะของกุศลฉันทะหรือธรรมะฉันทะนี้จงกระทั่งถือกันง่ายๆพูดกันสั้นๆว่าฉันทะเป็นชื่อของกัตตุกรรมยตาหรือกตุกรรมยตานี่แหละคือฉันทะไปๆมาๆพอพูดถึงฉันทะคือกุศลฉันทะหรือธรรมะฉันทะนี้ คำพีทั่วไปก็พูดสั้นๆว่าฉันทะคือกัตตุกรรมยตาฉันทะด้วยเหตุนี้ตามกฎแห่งปัจจยาการท่านจึงกล่าวว่าฉันทะนำไปสู่อุตสาหะหรือไม่ก็กล่าวไว้นำหน้าวายามะหรือวิรยิยะพูดง่ายๆว่าฉันทะทำให้เกิดการกระทาเทียบกับตัณหา ซึ่งทำให้เกิดการสแสวงหาพร้อมกันนั้นท่านก็กล่าวถึงมูลฐานของฉันท่าว่าฉันทามีโยนิโสมนัสิการเป็นสมุดฐานหมายความว่าฉันท่าเกิดจากโยนิโสมนสิการการคิดแยบคายคิดถูกวิธีรู้จักคิดหรือคิดเป็นความข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ฉันทะอยู่ในกระบวนธรรมะฝ่ายปัญญาฉันทะตั้งต้นเมื่อเริ่มมีการใช้ปัญญาเทียบกับตัณหาซึ่งอาศัยอวิชชาเป็นฐานก่อตัวเนื้อความตอนนี้ยังจะต้องชี้แจงกันต่อไป